ชีวประวัติท่านอาจารย์ปัญญาวัฒโทนามเดิมปีเตอร์จอนนามสกุลมอร์แกนท่านเป็นบุตรของนายจอนวัตคินนางไวโอเร็ตแมรี่ท่านเกิดเมื่อวันจันท ร, ร์ที่19เก้าตุลาคมพุทธศักราช2468ขึ้นสามข้มเดือนส2บสองปีฉลู สถานที่เกิดนับประเทศอินเดียในเหมืองทองโคลารัฐไมสอปัจจุบันเรียกว่ากานาตากาภาคใต้ของประเทศอินเดียสถานที่อยู่นับประเทศอังกฤษ ที่ตำบลรินอําเภอแลนเนรีกรุงลอนดอนมีพี่น้องร่วมท้องมันดาเดียวกันสมคนชายสองหญิงหนึ่งท่านเป็นบุตรคนโตการศึกษาท่านจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากฟาราเดเฮาส์วิทยาลัยเทคนิคในกรุงลอนดอนท่านใช้ชีวิตเป็นฆราวาสอยู่30สปีโดยไม่มีครอบครัว ตั้งแต่ท่านเริ่มจำความได้ได้ปรากฏคำถามในใจของท่านมาตลอดว่าท่านเป็นใครแล้วเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอะไรคือจุดมุ่งหมายของชีวิตนี้แล้วใครจะเป็นผู้ตอบปัญหาในใจของท่านได้ท่านจึงได้ศึกษาค้นฟ้ า, าศาสนาทุกาศาสนาในโลกแล้วมาสรุปใจในพระพุทธศาสนาว่า เป็นศาสนาที่มีเหตุผลท่านจึงหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังจึงเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าและมีความมุ่งมั่นที่จะออกบวชเพื่อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงต่อมาท่านจึงได้ตัดสินใจบรรพชาพเป็นสามเณร เมื่อวันที่3 ส, สตุลาคมพุทธศักราช2498ณพุทธวิหารกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งรัฐบาลศรีลังกาสร้างไว้โดยมีพระตบินละวัตโธพิคุพระชาวศรีลังกาแต่บวชในเมืองไทยเป็นพระอุปัชฌาย์เห็นสำเนมอยู่3เดือน พระบัณชาได้พาเข้ามาอุบสมบทในประเทศไทยโดยได้อุบสมบทในคณะมหานิกายเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2499ณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโดยมีพระมงคลเทพมนุนีหรือหลวงพ่อสดจันทสโรเป็นพระอุปัชฌาย์ พออุปสมบทแล้วท่านได้กลับไปจำพรรษาอยู่ที่พุทธวิหารในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษท่านได้นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่สั่งสอนแก่ชาวพุทธที่อยู่ในประเทศอังกฤษตลอดจนการปฏิบัติ ข, ของท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังมาตลอดเสมอต้นเสมอปลายแต่ยังมีปัญหาที่ติดค้างภายในใจ ท่านตลอดเวลาว่าในยุค ป, ปัจจุบันนี้นั้นยังมีพระผู้ปฏิบัติตรงตามพระธรรมินที่เคล่งคลัดและบรรลุมรรคผลเป็นพระอระหันต์นั้นยังมีอยู่หรือไม่วันหนึ่งท่านได้สนทนากับลูกศิษย์ชาวไทยคนหนึ่งได้สนทนากันเรื่องของเมืองไทยความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีและศาสนาท่านเกิดความสนใจจึงถามเขาว่า เมืองไทยในปัจจุบันนี้นั้นมีพระสุปฏิปันโนผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยและปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดนั้นยังมีอยู่อีกหรือไม่ลูกศิษย์ชาวไทยคนนั้นจึงตอบท่านว่ามียังมีอยู่อีกมากมายมีพระองค์สำคัญและท่านเป็นพระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยและที่สาคัญท่านเป็นพระอรหรันต พระอาจารย์องค์นั้นท่านคือท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีท่านได้ฟังดังนั้นแล้วเกิดความสนใจเลื่อมใสศรัทธามีความประสงค์ที่จะไปพบท่านให้จงได้ท่านจึงปรบกับลูกศิษย์ชาวไทยคนนั้นว่าเราจะไปเมืองไทยถ้าเราไปเมืองไทยให้พาเราไปพบท่านอาจารย์พระมหาบัวด้วย ตลอดเวลาที่ท่านอยู่นักพุท ธ, ธวิหารกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นเวลาห้าปีท่านได้ภาคเทียนพยายามศึกษาพระธรรมวินยัยและปฏิบัติธรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยตลอดเมื่อปีพุทธศักราช2504ท่านได้เดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้ง โดยได้พำนักอยู่ที่วัดชนรัประธานรังสริกอําเภอปาเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วต่อมาลูกศิษย์ชาวไทยที่เคยสนทนากับท่านก็พามากราบท่านหลวงตามหาบัวที่วัดตาบ้านตาครั้งแรกท่านได้กราบขอพัดปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยแต่ท่านหลวงตาตอบว่าไม่รับรับไม่ได้ เพราะกุฏิไม่ว่างพระอยู่เต็มหมดแล้วแต่ท่านก็ไม่ละความพยายามมีความตั้งใจที่จะมาขออยู่ศึกษากับท่านหลวงตาจนไดน้ท่านบนไปเวียนมาขออยู่ศึกษากับท่านหลวงตาจนถึงครั้งที่ห้าท่านจึงได้ก่าวเรียนท่านหลวงตาว่ากระผมขอพักศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นเวลาชั่วคราวท่านหลวงตาจึงได้รับไว้ วันแต่วันที่ส6กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,506 ัาพันได้อยู่จำารรษากับท่านหลวงตาที่วัดตาบ้านตามาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,506 หเป็นต้นมา ช่วงที่ท่านพำนัดอยู่ที่วัดป่าบ้านตานั้นท่านได้ตั้งใจศึกษาข้อวัดปฏิบัติและปฏิบัติสมาธิภาวนาในอริยบทยืนเดินนั่งนอนโดยสม่ำเสมอได้เห็นปฏิปทาการดำเนินของท่านหลวงตาที่ท่านพาดำเนินอยู่นั้นเป็นปฏิปทาที่ถูกต้องแม่นยำงดงามด้วยศีล า, ารวัตถถูกต้องเที่ยงตรง ตามหลักพระธรรมวินัยท่านจึงปารลกับตนเองว่านี่แหละคือท่านอาจารย์ของเราเราอย่าได้เหล็กนี้จากท่าน ท่านพำ น, นักอยู่วัดป่าบ้านตาลตอนนั้นท่านเป็นพระฝ่ายมหานิกายอยู่การทําสังฆกรรมกับหมูคณะก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นักท่านจึงประสงค์ที่จะทําการยัดติใหม่เอ็นพระภิกษุในคณะธรรมยุตจึงได้ก ร, ราบขออนุญาตท่านหลวงตาเมื่อขออุปสมบทใหม่ท่านหลวงตาก็ อ, อนุญาตจึงได้รับการอุปสมบทใหม่คือ อุปสมบทซ้ำอีโดยไม่ต้องลาคิขาบเมื่อวันที่22เมษ า, ายนพุทธศักราช2508นวัดบวรนิเวศวิหารแขวงบางลำพูเขตพระนครรงเทพมหานครอุปสมบทพร้อม ก, กันกับท่านพระอาจารย์เชอรี่อภิเตโตโดยมีสมเด็จพระยาณสังวร สมเด็จพระสันทราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ปัจจุบันหรือพระศาสนาโสมลราชินานามในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์พระเทศยา น, นกวีเป็นพระกรร ม, มวาจาจารย์ท่านหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับทยาเป็นภาษามาคตว่าปัญญาวัตโธ ท่านหลวงตาจึงเรียกชื่อท่านสั้นๆว่าปัญญาปัญญาภูบาอาจารย์และลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปจึงเรียกชื่อท่านตามที่หลวงตาเรียกตั้งแต่นั้นมาหลังจากท่านได้อุปสมบทใหม่ในคณะธรรมยุทธ์แล้วท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตามาโดยตลอด ไม่เคยไปจำพรรษาอย่างวัดอื่นเลยโดยตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความภาเกียนพยายามที่จะบรรลุธรรมตามความตั้งใจของท่านเองท่านจึงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูบาอาจารย์ทั่วทั่วไปเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายฉเฉลียวฉลาดลึกซึ้งสุ ข, ขุม ท่าได้อยู่ร่วมกันกับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของท่านหลวงตาหลายรูปอาทิท่านพระอาจารย์บุญมีปริปุนโนท่านพระอาจารย์ลีอุสลทโรและท่านพระอาจารย์อินถวายสันตสกูเป็นต้นท่านพระอาจารย์ปัญญาเคยเป็นตัวแทนในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างชาวอังกฤษกับชาวไทยได้นิมนต์ท่านหลวงตาไปอังกฤษณธรรมระทิพยวิหารกรุงลอนดอนในวันที่เจ็ดถึงวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช 2,517 ท่านพระอาจารย์ปัญญาได้ทำหน้าที่เป็นผู้แปลจากคาเทศของท่านหลวงตาเป็นภาษาอังกฤษได้เดินทางไปอังกฤษด้วยกันสามรูป นีท่านพระอาจารย์เชอรี่เป็นผู้ติดตามไปองค์หนึ่งที่ประเทศอังกฤษมีองค์กรนิติบุคคลองค์กรหนึ่งคือทัดเพื่อสง์อังกฤษเป็นองค์กรที่สนับสนุนพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษชาวพุทธในอังกฤษได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นท่านพระอาจารย์ปัญญาเป็นองค์หนึ่งที่ได้รับการอุปธรรมอุปถามจากองค์กรนี้ด้วย อาจารย์ปัญญาเป็นพระที่สุภาพนุ่มนวลเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีอิริยามถอนญาตงดงามทั้งภายนอกภายในผู้คนที่ได้พูดคุยสนทนาธรรมกับท่านจะรู้สึกเคารพระท่านท่านพระอาจารย์ปัญญาเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาด ได้รับความไว้วางใจจากท่านหลวงตาในเรื่องกิจการงานภายในวัดการบรณปฏิสังขรณเสนาสนะตลอดจนการก่อสร้างศาราการปเรียนหลังใหญ่กำแพงคอนกรีตพระตำหนักที่ประทับและสิ่งก่อสร้างหลายอย่างภายในวัด ต, ตลอดจนการอบรมลูกสิษยชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดตาบ้านตา ท่านหลวงตาได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้ชี้แนะแก่ชาวต่างชาติแทนท่านหลวงตาท่านพระอาจารย์ปัญญาได้แปลหนังสือธรรมะที่ท่านหลวงตาได้เรียบเรียงขึ้นจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษหลายเล่มอธิประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นเป็นต้นเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอันมากดังจะเห็นจากชาวต่างชาติที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนาเริ่มจะหันมาศึกษาปฏิบัติในวัดป่าสายพระอาจารย์มั่นเป็นอันมากสังเกตได้ว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาอบรมธรรมะจากท่านพระอาจารย์ปัญญา ในแต่ละวันมีเป็นอันมากท่านอาจารย์บิ๊กท่านเล่าว่าท่านได้เข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาลแห่งนี้ก็เพราะหนังสือธรรมะท่านหลวงตาพระมหาบัวที่ท่านอาจารย์ปัญญาแปลเพราะตอนนั้นท่านบวชที่อินเดียแต่มาศึกษาต่อที่ศรีลังกาติดขัดในธรรมะปฏิบัติ พระที่อยู่นั้นก็แนะนำให้ดูหนังสือบางเอิญพบหนังสือที่ท่านพระอาจารย์แปลท่านอ่านแล้วจึงบอกกับตนเองว่าเราจะต้องไปวัดป่าบ้านกาเกนต้นท่านพระอาจารย์ปัญญาเห็นที่เคารพรักของชาวไทย และชาวต่างประเทศเป็นอันมากจากการปฏิบัติของท่านที่ได้รับ ก, การอบรมจากท่านหลวงตาท่านได้ดำเนินตามหลักปฏิปทาที่ท่านหลวงตาพาดำเนินมาโดยตลอดตลอดจนด้านจิตตภาวนาท่านได้ปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมอันสูงสุดดังจะเห็นจากอัจจิของท่านซึ่งได้แปลสภาพเป็นพระธาต ในปัจจุบันเป็นประจักษ์พยาน่อมาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 4 7พันได้อาพานด้วยโรคมะเร็งที่ลำไส้ คณะสิกิ์ได้พยายามช่วยรักษาท่านมาโดยตลอดแต่ก็ช่วยจนสุดความสามารถแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นยิ่งสุดหนักยิ่งกว่าเดิมจน ถ, ถึงวันที่ส7บเจ็ดสิงหาคมพุทธศักราช2547เจตอนเช้าก่อนที่หลวงตาจะเดินทางไปกรุงเทพเพื่อมอบทองคำเข้าคลังหลวงพบสเ็ดตัน ท่านได้สั่งเสียรเรื่องการจัดการเกี่ยวกับสพ ข, ของท่านพระอาจารย์ปัญญาเพราะเห็นว่าท่านคงจะอยู่ได้อีกไม่นานพอเช้าวันที่สิบแปดสิงหาคมพุทธศักราช25งพเจเวลาแดนาฬิกาส0สนาทีโดยประมาณท่านได้มรณาภาพลงด้วยอาการสงบภายในกุฏิของท่านที่วัดป่าบ้านตาล ห้ามกลางความอะไรของครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะรีอายุได้78ปี10เดือนอุปสมบทได้ 39,000 ศากยด้วยกุศลผลบุญ ที่ลูกศิษย์ได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจเป็นเครื่องสักการบูชาแห่นดอกไม้ทั้งหลายทั้งปวงขอให้กุศลผลระบุนส่วนนั้นขอให้พวกข้าพเจ้าได้เห็นธรรมดังพระอาจารย์ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ